เรื่องฝนมหาศจั์โดยพี่ชานนปกติแล้วพี่ชานนไม่เคยเชื่อเรื่องมหาสจั์หรืออภินิหารใดๆเลยเพราะผ่านผู้คนมามากทั้งดีและเลวโดยเฉพาะพระเนนเทนชีที่ไม่อยู่ในศีลธรรมพี่ชานนก็เห็นมาเยอะจนไม่คิดจะนับถือใคร ตรงกันข้ามกับภรรยาซึ่งชอบเข้าวัดทาบุญเป็นอย่างยิ่งและพระที่ภรรยาชอบไปทาบุญที่สุดคือพระหลวงตามหาบัวและจะทำบุญกับพระหลวงตาองค์เดียวไม่ไปทำกับใครอื่นจนกระทั่งวันหนึ่งภรรยาพิชานน์ก็ชวนไปทําบุญกับพระหลวงตาอย่างเคยพิชานน์ก็ยอมไปด้วยอย่างเสียไม่ได้เพราะรับปากไว้แล้วเมื่อไปถึงก็เป็นเวลาคลึ้มแดดครึ้มฝนเรียกว่าฝนจะตกอยู่แล้ว พี่ชานลก็เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้านึกในใจว่าพระหลวงตาไม่มีทางออกมาหรอกพนันกันก็ได้แต่ไม่ทันไรร่างของพระหลวงตาก็ค่อยๆเดินผ่านประตูออกมาและฝนก็เริ่มตกพรำๆลงมาทันทีเช่นกันจากนั้นพี่ชานลก็เห็นสิ่งที่ตัวเองไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นด้วยตาตัวเองใกล้ชิดขนาดนั้นเมื่อพระหลวงตาเงยหน้าขึ้นมองสายฝน แล้วกระแอมในลำคอนิดหนึ่งก่อนจะพูดว่าตกดีจังนะคนเขาจะมาใส่บาตรท่านพูดเพียงแค่นี้เหตุการณ์น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นนั่นคือฝนที่ตกอยู่พรำพรำรอบองค์ท่านแยกออกจากกันเปิดเป็นช่องว่างให้พระหลวงตาได้เดินผ่านโดยไม่เปียกเลยแม้แต่น้อยแต่รอบๆนั้นฝนยังตกลงมาเปียกหมดเลย จากคนที่ไม่ยอมเชื่ออะไรเลยและมีประสบการณ์กับการหลอกลวงมาสารพัดรูปแบบต้องถึงกับตะลึงและก้มลงกราบท่านทันทีคิดไม่ถึงว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาได้มีครั้งหนึ่งที่พี่ชานนนอยากเช็ดเท้าให้กับพระหลวงตาแม้มีคนทำหน้าที่อยู่แล้วไม่อาจแทรกได้แต่ก็ยังไม่หมดหวังจึงเตรียมผ้าติดตัวเอาไว้เสมอ เผื่อว่าวันหนึ่งจะโชคดีแล้ววันนั้นก็มาจริงๆเมื่อคนที่มีหน้าที่เช็ดเท้าท่านประจำไม่มาพี่ชานนนซึ่งเตรียมตัวรออยู่แล้วจึงได้เข้าไปทำหน้าที่แทนโดยไม่ลังเลได้เช็ดเท้าให้พระหลวงตาดังหวังแถมท่านยังยื่นมือมาจับบ่าพี่ชานนแล้วพูดว่าดีแล้วดีแล้วพอแล้วพอแล้วจากคนที่ไม่เคยคิดจะเชื่อหรือศรัทธาอะไรง่าย ก็เกิดศรัทธาต่อพระหลวงตาขึ้นมาอย่างมากมายหลังจากนั้นก็ทุ่มเทช่วยท่านทุกอย่างและได้คิดว่าตนเองโชคดีที่ได้มาพบท่านจากนั้นชีวิตของพี่ชานนท์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆและคิดว่าจะต้องดีต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนและเหตุการณ์เหล่านั้นก็ประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้บทความโดย พี่ชานนเสียงอ่านโดยโจโฉ